บททีเจ็ดสิบตัวชิรพรตชิชรพรชอบอยากสกูระพิอนกูระพิษรยอนคุณอยากสูบบ <uniformly S 3> ุหรี่ไหม ตุต้ดนวีซะยวคุณอยากเต้นรำไหมวูกาชุบช ว, วูวาชุช ว, วคุณอยากไปเดินเล่นไหมูวเเจกูฮานุวยวูวเเจกฮานวุว ที่ฉันอยากจะสูบบุหรี่ซ ต, ตุนเอยวซ ต, ตุนเสืส้อสวยวะคุณอยากได้บุหรี่สักมวลไหมซิการ์ต์อุฟ่ซิการ์ตอฟเขาอยากได้ไฟแชกฮาร์สึริจไฟ เซอร์เนชไฟดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อยเซกรักรม์มเซอรนซไฟซกัร์มเซอรนซไฟดิฉันอยากทานอะไรหน่อยเซกัร์ชึ่ยยซกัร์ชึกสยยดิฉันอยากพักผ่อนหน่อย ดีซึ่ัซะิัยิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อยเซซึ่งวรมซกิจวัตรสยยุซึ่วรมซิยยดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยซึร สควลลอววเชสลลอสไอยห์เซซูโกรจ์สควอเชอสไอยหดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณซรมว ส, วสกับยาห์สไอยซรมวีกบายาหส่อยหคุณจะรับอะไรดีคะสดวบสไยวาว ซึวไคุณจะรับกาแฟไหมคะกัฟฟยาฟอูฟยาหรือว่าคุณจะรับชาดีคะเฮาม่ช่เมืนะพิษวฮามช่เมนเราอยากจะขับรถกลับบ้าน เทวุนัมตะควาจิทรวเุณัมตควจิวคุณต้องการรถแท็กซี่ไหมแท็กซีชกซ่ชุฟายะแท็กซี่ฟายพวกเขาอยากโทรสัพอาคร์ทิลิฟนเช่เทียวข์วขอชวาอคร์จลฟนชเยวอชว